คือแสงไฟใช่ไหมคือแสงไฟดังนั้นความรู้สึกจากกายเนี่ยเย็นดอนอ่อนแข็งเค็งตึงนะเปรียบเส ม, มือนที่เป็นตัวแสงไฟแล้วถ้าสีดินน้ำรดไฟเปรียบเส ม, มือนตัวเทียนนะดังนั้นสิ่งที่สองอย่างนี้มาสัมผัสสําคัญนะแล้วเกณฑ์พลังงานอันหนึ่งคือตัวสภาวะที่เป็นทุกขเวทนาคือแสงไฟและ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 สองความรู้สึกตัวในกายที่เราทนได้เราก็ตามดูต่อไปสามความรู้สึกตัวที่เราไม่ต้องทนละเอียดเรียกว่าสุขเวทนา2ระดับต้นคือระดับยางร ะ, ระดับกลางและระดับหยาบก็คือเป็นทุกขเวทนาทางกายนั่นเองตอแต่ว่าระดับละเอียดจะเป็นสุขเวทนาทางกายเรามักจะรู้แค่2ระดับคือระดับที่เราทนได้กับทนไม่ได้ใช่แต่ทัวรที่เราไม่ต้องทน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 มีสามีภัญญาฝรั่งคนหนึ่งมาจากที่ไอภูเก็ตเขาก็าเรียนรู้ไปจากของพ่อของเขียนนี่นะเขาไปจัดคอดร 3, 000, ์สคอร 4, นะ์สละสามพันคอร์สละสี่พันเราก็จะแอบไปดูเขาว่า่อาสอนกันแบบไหนกันแนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้หันเหายไปแล้วเพราะเขานิมนุนพาไปบ่อยๆก็พวกคุณอที่นิมนุนเราไปอะคุณและคุณวิศาลเนาะนะที่ภูเก็ต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 ออวิจารณอาหารเช้าก่อนถ้าหากว่าเราใช้เวลาช่วงเช้าหนึ่ ง, ช, ง, งชั่วโมงแอคเซชั่พวกคุณก็กลับมาเตรียมตัวเข้าปฏิบัติต่อเลยไปถึงเจ็ดโมงเนาะโมงก็รับอาหารพรับอาหารเสร็จถ้าคุณไหนไม่แน่ใจรับอาหารแล้วมันอึดเอือยเื่ ช, ชาก็ต้องออกมาปฏิบัติร่วมก่อนพราะถ้าอารมณ์ก็เข้าไปใหม่อย่างนี้นะมันจะไม่เสียเวลาถ้าคุณทูซีทําไปทํามานมันเสียเวลานะ